มงกุฎไพรเล่มสี่ตอนที่207เมื่อเตรียมตัวเสร็จสับทั้งสี่คนก็ขึ้นบนหลังม้าอีกครั้งบรรทุกเครื่องไม้เครื่องมือจำเป็นบางส่วนไปด้วยในขณะเดียวกันทหารก็นำเอาม้าที่ช่วยบรรทุกบันไดโดยเทียบด้วยม้าสามตัวเข้ามาให้เพื่อให้พวกนั้นทั้งสี่จูงไปด้วยก่อนที่ทั้งสี่จะเคลื่อนที่ไมายานีกับจักรราชก็ชักม้าเข้ามาใกล้ ขอให้ท่านทั้งสี่จงโชคดีในงานจักรราศงรับสั่งขึ้นด้วยพระสุรเสียงกังวานปราณีส่วนราชีเมยานีเอื้อมพระหัตมาแตะแขนคริสติน่าและเวลรับสั่งว่าเธอทั้งสองเป็นสตรีที่กล้าหาญและทํางานเคียงบ่าเคียงไหลเสมอด้วยบุรุษเพศขอให้ระมัดระวังตัวและปลอดภัยทางเราจะรอรับอยู่ที่นี่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 ตรงเข้าไปยังสร้างเครื่องบินตกทันทีโดยมิสเตอรลีและคิดจูงกำกับม้าที่บรรทุกบันไดสำหรับไต่ขึ้นไปด้วยเสียงตะเท่าบุญคำตะโกนแจ๋วไล่หลังมาว่านายห้างนายแมมพบเห็นอะไรที่จะหยิบฉวยติดมือติดไม้มาฝากพวกไอ้คำได้บ้างก็อย่าลืมหยิบติดปืนมาด้วยนะพวกไอ้มะกานมันรวยมีสมบัติติดตัวกันมากค้นเอาจากศพก็ได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 บุญคำแยกเขี้ยวยิ้มกระซิบก็ไอคำอยากได้นาฬิกาโลเลกนี่เขาว่าพวกทาหารไอ้กันมันมีใส่กันทุกคนจะขอตามเข้าไปด้วยมันก็ไม่ให้ไปก็ต้องฝากเก็บมาให้ด้วยสิฮิฮิพรันใหญ่ไม่พูดอะไรอีกแอบเบี่ยงลูกแปรป้าบไปที่ก้นของแกที่นั่งยองยองอยู่กับพื้นโดยดารินไม่ทันเห็นตะคำล้มแผละร้องจกตะโกนฟ้องสุดเสียง นายหญิงนายรพินเอาพระบาทมาฟาดพระก้นของไอ้คำพระตะโพก ค, ครากแล้วเชิดวุฒิแชษาอนุชาและชัยยันและแม้แต่พระเจ้ากรุงมรกฎปล่อยก า, กากออกมาอย่างสุดกลั้นดารินหันขวับอีกครั้งไปทำตาเขียวกับประพินซึ่งเดินหนีไปนั่งที่ใต้ซุ้มไผ่คุยกับสุกรีหน้าตาเฉย เมื่อบุคคลสำคัญทั้ง4ขององค์กรข่าวกรองกลางของสหรัฐเริ่มเคลื่อนที่ตรงเข้าไปยังซากเครื่อง B-52 ที่กองเรากับตัวตึกถล่มเห็นอยู่เบื้องหน้าโดยเฉพาะแผนหางแนวดินของมันที่ยังตั้งตรงอยู่กลางอากาศก็สูงเกือบเท่าตึกห้าชั้นณ บ, บัดนี้ฝ่ายที่รอคอยอยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็อยู่ในภาวะพักผ่อนรอคอยและเฝ้าจับสายตาดู กล้องสองทางไกลทุกอันของฝ่ายเชฐาเชิดวุฒและรพินเริ่มทำงานอย่างเต็มที่เพื่อจะมองให้เห็นภาพจากเลนร่นระยะนั้นให้ถนัดตาที่สุดจักรราชและเมยานียังมีสีพระพักยิ้มแย้มอย่างพระอารมณ์ดีอยู่เช่นเดิมทอดพระเนตรตามหลังบุคคลทั้งสี่ซึ่งเริ่มเคลื่อนไกลคณะออกไปตามลำดับในพื้นที่กว้างราบโลง่งโดยไม่มีอะไรเป็นมุมพรางตาได้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 เหล่าทหารทั้งกองพัน์ก็แยกย้ายกระจายกันอยู่เป็นหมวดหมู่กลุ่มกองรอพร้อมที่จะรับฟังพระบัญชาประกาศสิทธิ์ต่อไปว่าจะให้ปฏิบัติการเช่นไรสมเด็จพระเจ้ากรุงมรกรนครบพระหัตตราเชื้อเชิญให้บรรดาอาคันตุกะอันเป็นพระสหายสนิททั้งหลายรวมทั้งพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหมดซุดกายลงนั่งข้ากะ ว, ว่าเขาเหล่านั้น คงจะใช้เวลาสำรวจเครื่องและอุปกรณ์ตลอดจนข้อมูลต่างๆไม่ต่ำกว่า3ามชั่วโมงและพวกเราก็ต้องมารอคอยกันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นขอเชิญนั่งพักกันตามอัธยาศัยประเดี๋ยวเราจะมีเลี้ยงอาหารว่างกันด้วยถ้าใครหิวราชินีเมยานีของข้ารอบครอบมากในเรื่องนี้แต่บังเอิญว่าไม่ได้สั่งมาจากโรงแรมหรือห้องอาหารที่ไหนหรอกนะ แต่ตระเตรียมมาจากแผนโภชนาการของราชฐานมรกฎนครครั้งแรกข้ามีความคิดที่จะสั่งจากโรงแรมออรินเทลแต่เมนีแจ้งว่าทางโรงแรมคุณจะส่งมาให้เราไม่ทันแน่ระหว่างที่ทุกคนหัวเราะครื้นเครงดารินก็เอียงหน้าเข้าไปใกล้ทรงมีพระอารมณ์ขันประชดประชันและร่าเริงอยู่เหมือนเดิมนะเพคะ แต่คราวนี้พวกเราแทนที่จะเห็นพรานรับพินแย่เคี้ยวกลับเห็นเข้าหัวเราะซึ่งมันผิดแปลกไปกว่าทุกครั้งนั่นสิพี่สาวไม่ว่าจะเป็นจักรราชหรือแงซายเดี๋ยวนี้คงไม่อาจยั่วแย่ให้เขามีอารมณ์บูดขึ้นมาได้เสียแล้วน่าเสียดายรับพินไพรวันจะเป็นรับพินไพรวันได้ก็ต้องหน้านิ้วคิ้วขมวดยับยุย่ยี้เครียดเคร่งอยู่ตลอดเวลาผมรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยที่ตลกเกอ้อ ผู้ที่ถูกกล่าวถึงไม่พากวิจารณ์หรือนินทานอยู่ในขณะนี้ไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นนอกจากใช้กล้องสองทางไกลประจำตัวปรับเลนขยายลำหน้าเกินระยะกว่าที่ทั้งสี่คนกำลังเหยาะมาเข้าไปเพื่อตรวจดูยังลำอับปางมะหือมาของเครื่องทิ้งระเบิดยักษ์นั้นด้วยอาการพินิจเขาเห็นส่วนหัวของมันที่ปักลงไปในพื้นดินซึ่งรู้สึกว่าจะค่อนข้างแข็ง นอกจากจะจมลงไปบางส่วนแล้วก็มีส่วนที่ย่นยู่ขึ้นมาสังเกตเห็นอักษรตัวใหญ่ๆที่พอจะอ่านได้ในตอนท้ายคำว่า U.S เท่านั้นซึ่งคำเต็มของมันคงมาจากคำว่า U.S. Air Force ข้อความข้างหน้าหายไปหมดเชิฐาอนุชาชัยยันพากันสุดกายลงนั่งส่องกล้องมองดูเหมือนกันและ ว, วิภา์วิจารณ์กันอยู่เบาๆในลักษณะคุยกันเอง ดารินนั้นถูกราชินีเมยานีจูงมือให้มนนานั่งเคียงข้างอยู่ด้วยส่วนรพินกับเชิดวุฒยืนสองกล้องคู่กันอยู่อีกด้านหนึ่งไม่ห่างออกไปนักโดยเฉพาะพันตรีเชิดวุฒดูจะเป็นการสนใจอย่างมากมายเป็นพิเศษต่อเครื่องอับปางลำนั้นไอ้เวรลำนี้แท้ๆที่ทำให้เราทั้งหมดตายแล้วเกิดใหม่กันอยู่หลายครั้งไม่นึกเลยว่าจะตามมาจดพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือโลกนี้มีอยู่จริงแท้แน่นอน คุณพิสูจน์ได้ด้วยตนเองก่อนที่จะมาพบแผ่นดินนี้และเครื่องตกลำนี้แล้วนี่ครับระพินบอกมาเบาๆเชิดวุฒยักไหลแล้วพูดขึ้นหน้าตาเฉยภาวนาว่าพอพวกนั้นไปถึงและกำลังอยู่ในเครื่องขอให้ระเบิดธรรมดาลูกใดลูกหนึ่งมาระเบิดตูมขึ้นมาสักลูกเถิดจะได้ตายโหงตายหากันหมดทั้งสี่คนอ้าวไงแช่งงั้นละครับ พรานใหญ่พูดยิ้มยิ้มแต่ตายังไม่ลาจากกล้องสแตนระลีคีดเบลน่ะถึงจะแหลกละเอียดไปกับระเบิดหรือเครื่องก็คงไม่เป็นไรสำหรับคุณเชิดวุธแล้วคริสติน่าแล้วครับคุณไม่ห่วงหลอนหรือเลิกห่วงเลิกใยกันสักทีฮะเสียงเชิดวุฒิพึมพำออกมาเบาที่สุดอย่างน้อยใจทาไมหรือครับพี่รู้ไหมเมื่อคืนที่แล้วตอนเลี้ยงงานอุทยานสโมสอน่นะ พี่ให้ผมประคองคริสเข้ามาร่วมกับพวกเราทั้งหมดผมขอแต่งงานกับหลอนโดยบอกตรงๆเลยพี่ทราบไหมครับว่าคริสตอบผมว่ายังไงคงไม่ถึงกับด่าหรือแสดงอาการอะไรที่ไม่สมควรกับคุณกระมังถ้าแสดงอย่างนั้นก็ยังดีแปลว่ายังมีความหวังอยู่บ้างแต่นี่หลอนบอกผมบอกเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะว่า ถ้ารอดตายกลับไปได้คราวนี้หล่อนจะขออุทิศตัวเองให้แก่พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการไถ่าบาปแล้วหึมหล่อนบอกกับผมใช่นั้นจริงๆครับเป็นคำพูดที่จริงจังหนักแน่นที่สุดหล่อนจะบวชและบวชเป็นชีมืดด้วยรัพินไพรวันอึ้งตะลึงไปชั่วขณะแต่ก็ชั่วอึดใจเดียวเขาก็ได้พูดเรียบๆกับเชิดวุดว่า ขอขอบคุณต่อเทพเจ้าและพระเจ้าของหล่อนที่ชี้ทางที่ถูกที่สุดให้แก่หล่อนแล้วคริสสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องสละชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดของหล่อนให้แก่พระผู้เป็นเจ้าเพราะอาดีตของหล่อนบาปหนามามากแล้วหล่อนสวยมากก็จริงแต่คุณก็รู้ว่าอาดีตของหล่อนคือฆาตกรมือเหี้ยมที่สุดผมอยากจะเตือนคุณหลายครั้งแล้วแต่ไม่กล้าจงคิดสิว่าอะไรที่ผ่านมาแล้วสาหรับคุณและหลอน ถ้าหากจะเคยมีต่อกันบ้างอย่างเช่นตอนที่ไปหลงติดในถ้ำหินถล่มด้วยกันเป็นเพียงแค่ความฝันเสียก็แล้วกันคุณมีชาติมีสกุลมีฐานะทางสังคมที่ดีมากสมควรอย่างยิ่งที่จะได้กลับไปถึงบ้านและแต่งงานกับกุลสตรีไทยของเราสักคนหนึ่งยังมีผู้หญิงไทยให้คุณเลือกอีกมากครับรับรองว่าสวยกว่าคริสก็ยังมีเชิดวุดคอตกซึมไปขณะจิต แต่แล้วก็ยืดกายเต็มส่วนสัตว์อันสูงสงา่าครับพี่ผมจะไม่อกหักสำหรับผู้หญิงคนนี้คำเตือนของพี่มีประโยชน์ต่อผมมากทีเดียวต่อไปนี้ผมจะคบกับหล่อนอย่างเพื่อนเท่านั้นนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปจริงจังอะไรนะักเพราะสัมพันธภาพระหว่างคุณกับคริสยังไม่มีอะไรลึกซึ้งจริงจังนักเพียงแค่คุณชอบหลอนข้างเดียวเท่านั้น และที่ชอบก็เพราะรูปโฉมอันเป็นสิ่งแรกที่ลอตาลึกลงไปกว่านั้นคุณยังไม่รู้จักหล่อนดีเท่าที่ควรผู้หญิงคนนี้จะเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกคนได้แต่จะเป็นเมียใครไม่ได้เลยเพราะบทอารมณ์แม่พันผวนขึ้นมาเมื่อไหร่ต่อให้ผัวหล่อนก็ฆ่าได้จอมพรานพูดช้าๆออกมาจากส่วนลึกจริงใจของเขาขอามอะไรหน่อยได้ไหมครับตามสบายน้องชาย แล้วทำไมหลอนทึ่งชอบพี่อย่าเรียกว่าชอบเลยเรียกว่ารักก็แล้วกันผมสังเกตอยู่ตลอดเวลาแล้วอีกฝ่ายหัวเราะเยอะเย็นเป็นอารมณ์ที่เกิดความทึ่งความพอใจที่เกิดขึ้นชั่วขณะระหว่างที่ยังเดินป่าอยู่ด้วยกันเท่านั้นเองครับตัวผมเองยังไม่เชื่อว่าคริสจะรักผมในป่าหลอนอาจเห็นผมเป็นเทพประบแต่ในเมืองแล้วหลอนอาจเห็นผมเป็นไอ้ชาวดงคนหนึ่ง ไม่ผิดอะไรกับพวกผิวดําในแอฟริกาก็ได้แต่พี่หญิงดารินไม่ได้มองพี่ในลักษณะเช่นนั้นไม่ใช่หรือครับรับพย์พินสั่นศีนศรษะชา้ชาๆเราพิสูจน์กันมามากเกินพอแล้วระหว่างผมกับคุณหญิงดารินวราริศคนนั้นเชิดวุฒิเม้มริมฝีปากแล้วพยักหน้าชา้ชาๆผมขอแสดงความยินดีกับพี่ทั้งสองด้วยครับขอบคุณหวังว่าคงทําใจได้นะคุณวุฒ ครับแน่นอนผมทำใจได้เสมอโดยเฉพาะเมื่อมีพี่มาให้คำตักเตือนกับผมเช่นนี้เสียงของพี่จะแววอยู่ในหูผมตลอดเวลาขณะนั้นก็มีเสียงตบมือเบาๆดังมาจากเบื้องหลังทั้งสองหันขวบไปก็เห็นราชนีเมยานีผู้ประทับเคียงข้างจักรราชและดารินส่งแย้มสศนมาพร้อมกับกวักพระหัต์เรียกมายังเชิดวุฒิรพินยังไม่แน่ใจนกะ ทำหน้าตื่นชี้ที่อกตัวเองแต่เมยาณีสั่นเสียน ร, รับสั่งมาว่าไม่ใช่ท่านพรานรับพินแต่เป็นน้องชายคนนั้นแหละผู้พันเชิดวุฒเชิญทางนี้หน่อยเชิดวุฒมีสีนหน้าแสดงอาการประหลาดใจขณะนี้เขาเห็นทั้งจักรราชดารินและเมยาณีมองพร้อมกับอาการยิ้มเมตตา ม, มาเป็นจุดเดียวกันที่เขาจึงโยนกล้องสองทางไกลในมือของตนไปให้พวกลูกหาบชุด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 และระหว่างที่พวกเขาทั้งสี่คนตรงเข้าไปสำรวจอย่างตำแหน่งยานตกเธอก็คงคิดอยากที่จะติดตามเข้าไปด้วยใช่ไหมเชิดวุดฝืนยิ้มข้าพระบาทแม้จะมากับฝ่ายเขาก็เป็นคนไทยไม่ใช่พวกเขาโดยตรงทุกสิ่งทุกอย่างฝ่ายเขาเป็นความลับไปหมดเขาไม่ต้องการให้ข้าพระบาทร่วมทางเข้าไปเห็นเหตุการณ์ใกล้ชิดด้วยอย่าว่าแต่ข้าพระบาทเลย แม้แต่พรานใหญ่รพินอันเป็นที่รักใคร่นับถือที่สุดของพวกเขาเขาก็ยังไม่ยอมที่จะให้เข้าไปด้วยถ้าจะพูดถึงแงอันตรายดังที่พวกเขาอ้างเมยานีตรัสปลยิ้มมันจะไม่มีอันตรายใดๆที่น่ากลัวเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยนิดถ้าเธออยากจะตามเข้าไปด้วยก็จงขี่ม้าตามหลังเขาเข้าไปเถิดไม่จำเป็นจะต้องแต่งกายให้ดูตลกรุงรังเหมือนพวกเขาหรอก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 ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเขาตามลำพังจะเหมาะกว่าเมยานีไม่รับสั่งเช่นไรอีกนอกจากสวนเบาๆสิ่งใดก็ตามที่พรานใหญ่รพินได้กล่าวตักเตือนเธอไว้เมื่อสักครู่นี้จงถือปฏิบัติตามเขาเถิดนอกจากฝีมือในเชิงพรานแล้วแท้จริงเขาเป็นนักตักกศาสตร์และนักจิตวิทยาชั้นเยี่ยมสมเด็จพระเจ้ากรุงมรกฎรับสั่งเนบช้ามาอย่างปราณีทาเอาเชิดวุฒิดุ้ง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 ไม่ผิดกับราชนีเมยานีพระองค์เป็นผู้มีทิพย์าเนธทิพยาโสตและทิพยาชาญาสวรรค์เบื้องบนและพระมหาเทพเป็นผู้ประธานให้แก่พี่มาเมื่อพี่ได้บำเพ็ญศีลภาวนามาจนถึงระดับหนึ่งเยาว่าแต่พี่เลยเพียงแต่โยคีตามเทือกหิมาลัยก็ยังพอจะมีสิ่งนี้ได้ข้าพระองค์ ขอพระบรมราชาอนุญาตกราบทูลถามอะไรสักอย่างเท่าที่พี่จะตอบได้ผู้พันเชิดวุฒิคริสตีน่าขอฝากตัวเป็นสานุสิทธิ์ของพระองค์และพระองค์ก็เอ่ยโอดประธานอนุญาตแล้วหล่อนจะศึกษารื่มเรียนไปได้หรือไม่และอนาคตเบื้องหน้าของหล่อนจะเป็นอย่างไรจักรราสวนลึกในลําพระสอคริสตีน่ากรูบิล หรือไลลาอามิเตสกำลังจะพ้นเคราะหกรรมในอดีตที่หลอนได้กระทำมาแล้วพระผู้เป็นเจ้ากำลังต้องการตัวหลอนเพี่จะเป็นได้เพียงผู้ชี้แนะแนวทางให้เท่านั้นผู้หญิงคนนั้นเป็นคนฉลาดมากและถึงเวลาที่จะพ้นเคราะกรรมเช่นกันเพราะฉะนั้นเพียงระยะเวลาสั้นๆที่ยังพักอยู่ในมรกตนครแห่งนี้ถ้าหลอนจะตั้งใจจริงหลอนจะรู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นก็คือสัจธรรมซึ่งต่อไปหล่อนจะสามารถนำไปประยุกได้กับาศาสนาของหล่อนเองรับสั่งเนิบช้าเต็มไปด้วยอำนาจล้นเหลือกอบไปด้วยความการุนนั้นทำให้เชิดวุธเนิ่งขึงไปดารินเอื้อมือแตะไหลน้องชายกลับบ้านเรานะแล้วไปแต่งงานร่วมชีวิตกับผู้หญิงไทยอย่าเห็นฝรั่งมังค่าดีกว่าเชื้อชาติเดียวกันเลย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 ขอความสวัสดีจงมีต่อพันตรีเชิดวุฒิไกรรณยุทธสิทธิ์ของรพินไพรวันนั่นคือคำประธานพระพรชัยจากสมเด็จพระเจ้ากรุงมรดกนครบัดนี้จากสายตาเปล่าและจากสายตาที่แลผ่านกล้องย่นระยะออกไปฝ่ายที่รอคอยอยู่ได้เห็นคณะของอเมริกันทั้งสี่เคลื่อนเข้าไปถึงซ่าเครื่องบินอับปางลำนั้นแล้วและเมื่อคนทั้ง4ี่ได้เข้าไปเดินอยู่รอบๆ บ, บริเวณตาแหน่งตก ก็ยังเห็นชัดถึงความใหญ่มะหือมาของเครื่องทิ้งระเบิดลำนั้นเพราะทั้งสีคนกลายเป็นร่างตุ๊กตาไปเลยมีส่วนสัตว์ถ้าเทียบกับตัวเครื่องแล้วไม่เกินหนึ่งนิ้วเท่านั้นจากระยะที่มองเห็นด้วยตาเปล่าในขณะนี้ส่วนพวกที่ใช้กล้องก็จะจับภาพได้ถนัดชัดเจนมากกว่าทั้งสีแยกแย้ายกันขีม่ม้าเวียนวนดูภาพการตกอับปางไปรอบๆตัวเครื่องเบื้องนอกก่อน แล้วช่วอึดใจต่อมาแสงสว่างจากอาการสะท้อนพระอาทิตย์ด้วยกระจกเงาเล็กๆ ก, ก็ส่องวูบวาบมาทางฝ่ายที่รอคอยทันทีระพินซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วโดยการได้รับมอบหมายจากคณะของคุณชายแช่ฐ า, าก็ส่องกระจกสะท้อนแสงตอบรับไปวูบหนึ่งเชิงทดสอบว่าแสงจากทั้งสองด้านจะส่งมาถึงกันได้ และบัทนี้พระเจ้ากรุงมรกรนครเองซึ่งเป็นเอตะทัคะในรหัสสากลอันเคยใช้มาก่อนแล้วก็จ้องพระเนตรรอคอยที่จะอ่านสัญญาณตอบโต้ อ, อยู่จากนั้นแสงสะท้อนสั้นๆยาวๆก็เริ่มฉายมาเป็นกิจจะลักษณะซึ่งระพินทาหน้าที่แปลไปทีละประโยคเขารู้สึกว่าผู้ส่งสัญญาณระบบมอสมาคือพันเอกลาริคิด สภาพเครื่องควรระเบิดในการตกเช่นนี้แต่มันไม่ระเบิดนั่นคือสัญญาณที่บอกมาเป็นประโยคแรกดูให้ชัดเครื่องของพวกนายหรือเครื่องของโซเวียตกันแน่เขาฉายแสงถามเชิงเย้าแย่ไปซึ่งแสงวูบๆก็ตอบมาว่าไอ้บ้า u s a i r f o r c e v o i จักรราทรงยิม้มแต่เชิดาชัยยันและอนุชาพากันหัวเราะ นอกจากดารินคนเดียวที่น่าตื่นเพราะหลอนไม่รู้ความหมายและไม่มีใครแปลประโยคนี้ของคิดให้หลอนฟังและขณะนั้นเสียงตาคำก็ตะโกนขึ้นอย่างขนองว่าโว้ยวิทยุมีก็ใช้ไม่ได้ต้องรอดกันด้วยแสงเข้ากวงส่องเข้าลูกตากูแสบไปหมดแล้วแต่ไม่รู้ว่ายังไงกันมั่งแปลดังๆให้ไอ้คารู้มั่งสินายรพินทุกคนหัวเราะ อ, อีกตาคารอดตัวไปได้ เรานั่งอยู่ห่างเท้ารับผินมาก Radiation Survey m ม t e r รพอจะทำงานบ้างหรือยังพวกนายเข้าไปป้วนเปี้ยนใกล้ที่สุดแล้วนะจอมพรานฉายแสงถามไปอีกหมดหวังเครื่องไม่ยอมทำงานเลยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้จะทำอะไรก็ทำพวกเรากำลังจับตามองอยู่เช่ถาบอกให้ระผินส่งข่าวสัญญาณแสงไปเรากำลังจะเลือกตำแหน่งที่ต่าสุดเพื่อขึ้นไปสารวจส่วนหัวก่อน อาจาต้องใช้เครื่องมือเชือกไต่เขาด้วยเพราะมันสูงเหลือเกินบันไดที่ทำให้ต่ำเกินไปตามสบายไม่ต้องห่วงทางนี้รายงานให้ทราบประยะเท่าที่จะรายงานได้เขาส่งข่าวบอกไปอีกจากการเฝ้าจับสังเกตมองอยู่ห่างๆแต่ไม่ยอมคลาดสายตาของฝ่ายที่รอคอยอยู่ทุกคนเห็นอเมริกันชายหญิงทั้งสี่คนสองคู่พยายามใช้บันไดไม่ไผ่พาดขึ้นไปทางส่วนหัวของเครื่องที่หักอยู่ก่อน และหนทางที่จะไต่เข้าไปให้ถึงได้จริงๆนั้นต้องอาศัยเชือกไต่เขาที่มีติดตัวไปด้วยโยนขึ้นไปคร้องแง่บางส่วนไว้ก่อนแล้วโหนตัวขึ้นไปทีละคนจนกระทั่งในที่สุดทั้งสี่ก็หายลับไปทางหัวเครื่องบินที่หักพังอยู่นั้นพังใหญ่ทีเดียวกะกันทางฝ่ายเชษฐาว่าร่วมเครื่องชั่วโมงก็มีใครคนหนึ่งส่องกระจกรหัสแสงวูบวาบมาจากตำแหน่งที่มองไม่เห็นชัด กับตันและนักบินตลอจนลูกเรือตายหมดพระพินและทุกคนที่อ่านรหัสมอสได้แปลออกมาได้ความตรงกันตรวจทั่วหรือยังพบสาเหตุเครื่องตกหรือไม่เชษฐาสั่งให้ส่งรหัสถามไปเว้นระยะไปชั่วครู่รหัสแสงก็ส่งตอบมาเข้าใจว่าเครื่องดับหมดทั้งแปดเครื่องอุปกรณ์นำทิศทางเรดาร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกอื่นๆไม่ทำงานเลยในระหว่างตก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 พระเจ้ากรุงมรกฏสวนเบาๆขณะที่รับสั่งให้รัพินชายแสงต่อไปเช่ถาผู้รอบครอบก็สั่งรัพินต่อมาว่าถามเขาเรื่องกล่องดำหรือปูมการบินของเครื่องซิหวังว่าพวกเราคงจะค้นพบและเอามาด้วยได้นะและเมื่อรัพินถามไปทางฝ่ายนั้นก็เงียบไปนานทีเดียวเหมือนจะมีการปรึกษาตัดสินใจอะไรกันอยู่แล้วในที่สุด แสงที่สะท้อนกับดวงตะวันก็ใช้มาเป็นประโยคค่อนข้างยาวจนกระทั่งฝ่ายของรัพินจับใจความไม่ได้แน่ชัดจึงส่องแสงบอกไปอีกครั้งให้ใช้รหัสช้าๆเป็นจังหวะจะโคนเมื่อ น, นั้นจึงแปลออกมาได้จากโค้ดว่าพวกเราตัดสินใจกันเด็ดขาดแล้วที่จะไม่เอาอะไรในเครื่องนี้ติดตัวกลับไปอีกเลยแม้แต่กล่องดำหรือหลักฐานอื่นใดทั้งสิ้นกราบทูลจักรราชด้วย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 ผู้ทำหน้าที่เป็นพนักงานติดต่ออยู่ในขณะนี้ตรงกันข้ามกับชัยยันผู้เรือไปนานถึงกับควักปากากากับสมุดออกมาจดอ่านไปทีละคำตามแสงสั้นยาวที่สองวบๆบมานั้นจากระยะไกลทุกคนเห็นการเคลื่อนไหวของคนเหล่านั้นไม่ถนัดแต่รู้ว่ามีการพยายามที่จะพระจากบริเวณท่อนหัวก่อนต่อจากนั้นก็ได้ไตในอาการเดิมขึ้นไปยังบริเวณท่อนลำตัวอันยาวเหยียดอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่มช้า ครูใหญ่อีกต่อมาทั้งสี่จึงสามารถไต่ขึ้นไปยังบริเวณลําตัวได้และหายเข้าไปในนั้นคราวนี้เงียบกันไปนานทีเดียวระหว่างที่คอยกันอย่างไม่รู้กําหนดเวลาแน่นอนและพากันสนทนาอยู่นั้นดารินก็ชี้มือร้องบอกว่านั่นเขาส่งสัญญาณมาแล้วทางส่วนท้ายของเครื่องเมื่อ น, นั้นทุกคนจึงหันกลับไปเอาใจใส่อีกครั้งเรียกรพิน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 แม้เครื่องตรวจสอบของเราจะไม่ทำงานก็เชื่อได้แน่แล้วว่ากรมมันตะภาพรังสีของมันจะไม่ระเหยออกมาได้พระพินภพยวันหลับตาลงพร้อมกับถอนใจออกมาอย่างโล่งอกยาวเยือกเช่ฐาชัยยันและอนุชาแทบจะลุกขึ้นชัยโยโหร้องด้วยความยินดีขีดสุดต่างพูดกันแซตสำหรับพระเจ้ากรุงมรดกนครเพียงแต่แย้มสวนน้อยอ ย, อยู่ตามลาพังเท่านั้นไม่ได้ทรงรับสั่งเช่นไรทั้งสิ้น ขอบคุณเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์พระมาหาเทพผู้ทรงจันทร์เครื่องเซี้ยวเป็นปิน่นและพระศรีมาหาอุมาเทวีเชษหาพืมพำออกมาพร้อมทั้งยกมือผนมท่วมหัวระหว่างทีรพินยังยืนนิ่งใบหน้าปรากฏสีเลือดแห่งความปิติอยู่นั้นพวกพรานพื้นเมืองทั้งสีของเขาก็ลุกขึ้นเต้นกันไปรอบๆส่งเสียงโวยอย่างดีใจขีดสุด เสียงตะคำป้องปากโหเหมือนพวกอินเดียนแดงแล้วตะโกนบอกเจ้านายมาว่านายบอกพวกมันไปเลยว่าจะให้พวกเราทั้งกองทัพนี่ไปช่วยขนมาไหมบุญคำจะได้เอาไปตั้งโดไว้หน้าเทวไลแทนสิวลึงบูชาพระแม่เจ้าพรานใหญ่ชี้หน้าตวาดเบาๆมาว่าตะคำเฉพาะพระพักของจักราธิราชเจ้าขณะ น, นี้ทำทะลึ่งดีไปเถอะประเียวหัวขาด บุญคำนึกขึ้นมาได้หน้าจอยลงทันทีค่อยๆสุดตัวลงนั่งตามเดิมจักรราชสวนเบาๆรับสั่งมาว่าผู้กองปล่อยให้ลุงคำกับพวกนั้นสนุกกันตามสบายเถิดทุกคนมีสิทธิที่จะดีใจเมื่อพวกเขาเข้าไปตรวจดูเองแล้วยืนยันมาเช่นนี้ระพินโครงหัวอย่างเหลือระอาระหว่างที่เช่ถาชัยยันอนุชาสุดที่จะกลั้นหัวเราะเอาไว้ได้ ต่างปล่อยกันงอหายมีแต่ดารินอีกคนหนึ่งเท่านั้นที่ปั้นหน้าขรึมกับแกเป็นครั้งแรกและชี้หน้ามาตะคำเลยหน้าแห้งไปหุบปางสนิทลงไปได้โดยไม่โวยวายอะไรอีกขอบคุณต่อพระเจ้าของพวกนายและเทพเจ้าแห่งแผ่นดินแผ่นฟ้าที่นี่เขาฉายแสงส่งข้อความไปตรวจดูให้รอบคอบเอาให้แน่ชัด ไม่ใช่เฉพาะระเบิดเท่านั้นมันยังมีจรวดหัวรบนิวเคลียร์อีกหลายลูกเหลือเกินมีข่าวดีที่จะบอกให้คริสถอดชุดป้องกัน ก, นกนรรมตภาพรังสีออกแล้วขณะนี้นายคีสส่งข้อความมาอีกนั่นไม่ใช่ข่าวดีเลยหล่อนวิปลาดไปแล้วหรื อ, อยังไง ร, รับพินถามสวนไปโดยเร็วอึดใจหนึ่งแสงรหัสก็ส่องมาอีกคราวนี้ลักษณะการฉายแสงไม่คล่องแคล่วนะกระท่อนกระแท่นอย่างผู้รู้แต่ไม่ถึงกับชำนาญ ฉันไม่ได้เสียสติไปหลอกครูฉันถอดชุดป้องกันกนรรมตภาพรังสีออกจริงตามที่คิดว่าและพร้อมที่จะตายได้ที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ทุกเมื่อหากว่ารังสีมันเกิดระเหยออกมาได้แต่จากสภาพที่เห็นด้วยสายตาใกล้ชิดระเบิดทุกลูกจรวดทุกหัวรบไม่มีกมรรมตภาพรังสีรั่วออกมาเลยครูห่วงฉันหรือประโยคหลังหล่อนถามผมห่วงคุณเสมอและห่วงทุกคนด้วยไม่เฉพาะคุณเท่านั้น ก็โชคดีไปอย่างที่ดารินอ่านรหัสมอสไม่เป็นและไม่มีใครแปรให้หล่อนฟังขอบคุณฉันจะกลับไปตายรังค่ะรับพินขณะ น, นี้มีฉันคนเดียวที่ถอดชุดบ้าบอนี่ออกแล้วแต่ทุกคนเขายัางสวมกันอยู่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและฉันก็ไม่ต้องการให้พวกเราคนใดถอดชุดป้องกันออกเหมือนฉันด้วยรับพินยืนอึง้งการติดต่อของคริสจบสิ้นไปแค่นั้นต่อมาก็มีข่าวจากนายคิด การทำหน้าที่เป็นพนักงานติดต่อเหมือนเดิมเขาบอกมาว่าเราทั้งหมดจะผระจากเครื่องเดี๋ยวนี้แล้วผลสำรวจเป็นที่พอใจรายละเอียดดูเรากลับไปถึงค่อยพูดกันเลิกติดต่อแล้วก็เป็นอย่างที่นายคีสส่งข่าวมาไม่มีสัญญาณแสงใดๆส่องสะท้อนดวงตะ ว, วันมาอีกแม้ว่ารพินจะทดลองเรียกไปหลายครั้งแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ20นาทีทุกคนก็เห็นทั้งสี่ควบมะเหาะตรงเข้ามา มองเห็นถนัดคริสติน่าบัดนี้อยู่ในชุดเครื่องแต่งกายเดินป่ารัสกลุ่มตามปกติของหล่อนไม่ได้สวมเสื้อผ้าและหน้ากากป้องกันกำมะันภาพรังสีต่างกว่าเมื่อขาวไปเมื่อมาถึงต่างลงจากหลังมา้าสแตนลีย์คีธและอิซาเบลจึงถอดชุดที่ป้องกันอันสวมทับชุดปกติที่ใส่อยู่ออกทุกคนสังเกตเห็นแต่ละคนไม่มีอะไรติดมือมาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวอ้าว นี่ผู้คุณไม่เอาหลักฐานอะไรสักอย่างกลับไปให้หน่วยเหนือเห็นเลยหรือแช่ถาถามขึ้นอย่างพาซือสแตนลี่ถอนใจยาวเยือกเอาแขนป้ายเหงือบนหน้าผากสลัดออกไปเพราะปรึกษากันเป็นที่ตกลงแน่นอนแล้วครับคุณชายหัวหน้าค้นหาระเบิดนิวเคลียร์กล่าวแผวต่ำบอกไปยังทุกคนนะที่นั้นนั่นก็คือเราจะไม่นาหลักฐานใดๆกลับไปให้หน่วยเหนือของเราได้เห็นเลย เราจะลืมมันเสียให้สนิทว่าเราได้พบเครื่องอับปางอยู่ที่นี่ขอเพียงให้เรารู้แน่เท่านั้นว่าไม่มีกรรมตภาพรังสีอะไรระเหยออกมาซึ่งเราเพิ่งจะเชื่อเอาก็ต่อเมื่อได้เข้าไปสำรวจเห็นกับตาของพวกเราทุกคนมันเป็นไปตามกระแสรับสั่งขององค์จักราธิราชเจ้าทุกอย่างแล้วคุณจะกลับไปรายงานต่อหน่วยเหนือว่าอย่างไรอนุชาถามมาบ้างอย่างแปลกใจสแตนลีย์หันไปมองคิด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 แล้วคุณไม่คิดบ้างหรือว่าระยะเวลาระหว่างที่พักอยู่ในมรกตนครนี่เครื่องมือสื่อสารของคุณอาจติดต่อกับศูนย์บังคับการขึ้นมาได้ซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่จะให้คุณเรียกกำลังทางอากาศมากู้ระเบิดไปอย่างที่ต้องการยังไงละ่ะชายยานถามยิ้มยิ้มมาอีกคนสแตลลี่ขยี้ปลายจมูกแรงส่วนนายคิสและอิซาเบลหวเราออกมาแค่นแค่พวกคุณคิดว่าเรามีความหวังเลิ่ลอยถึงเพยงนั้นเชียรรึ เดี๋ยวนี้เราได้มารู้ได้มาเห็นแล้วเราไม่หวังอะไรอีกเลยหวังเพียงขอให้ชีวิตรเราได้เดินทางกลับรอบไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนก็พอแล้วเราทุกคนได้ทำงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตให้แก่ประเทศชาติแล้วแต่เราก็ไม่สามารถเปิดเผยความจริง ใ, ใดได้เลยแม้แต่เสี้ยวส่วนเดียวเรารู้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงแต่จะเป็นพระเจ้าองค์ไหนของใครอย่างไรเราไม่อาจทราบได้ เบลเอ่ยออกมาอย่างหมดแววรริกเล่นพระเจ้ากรุงมรกกนครทรงประทับยืนขึ้นช้าๆเคียงคู่ราชินีเมยานีท่านด็อกเตอร์สแตนลีย์และทุกๆ ท, ท่านข้าอยากจะขอให้ยุติความกังวลไว้เพียงนี้เถิดพวกท่านเป็นฝ่ายบอกเองว่าได้มารู้มาเห็นกับตาตนเองแล้วและได้ตัดสินใจอันถูกต้องแล้วก็เหมือนอย่างที่ข้าได้กล่าวไว้แล้วในครั้งแรกว่า จงปล่อยวัตถุสิ่งนี้ไว้เพื่อสำหรับการเตือนระลึกแก่ข้าและชาวมรดกนครเถิดท่านไม่มีทางที่จะเอามันกลับไปได้เลยหัวหน้าคณะอเมริกันก้มศรีศรษะต่ำพระเจ้าค่าพวกข้าพระองค์รับทราบแล้วไม่มีอะไรเคลือแคลงสงสัยต่อไปอีกและขอมอบวัตถุทั้งหมดเหล่านี้ไว้ให้เป็นสมบัติแก่มรดกนครเสมือนกับว่ามันเป็นเพียงสะเก็ดดาวชิ้นหนึ่งที่ร่วงหล่นลงมาจากจักรวาลอื่น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 เสมอ ER ญาติเสมอ ER มิตรขอจะได้มีวิตกกังวลอะไรไปเลยระหว่างที่อยู่ที่นี่ก็จงทําตัวให้สบายเหมือนอยู่บ้านท่านเองทั้งสี่คนของฝ่ายอเมริกันถวายคํานับอย่างอ่อนน้อมพร้อมกันอีกครั้งจักราบบราบกพระหัสไปทางทหารเป็นสัญญาณเมื่อนั้นเสียงแตรเขาควายก็เป่าดังกังวลก้องไปไกลได้ยินไปทั่วเป็นรหัสความหมายให้ทุกคนเดินทางกลับและให้กองทัพ จัดรูปขบวนเข้าประจำที่สแตนลีย์หันไปทางฝ่ายของเชษฐาแล้วถามเบาวๆว่าผมสาบานว่าไม่ได้มีความลับอะไรกับพวกคุณเลยถ้าหากว่าพวกคุณจะเข้าไปชมที่ร่าเครื่องตกก็เชิญได้ตลอดเวลานะครับอดีตท่านทูตทหารบกเชื้อพระวงศ์สันศีสษาช้าเข้ามาตบแขนอเมริกันอาวุโสบอกนุ่มนวลว่าไม่หรอกครับพวกเราไม่มีใครสนใจกับวัตถุ สิ่งนั้นเลยและที่มานี่ก็มาเป็นเพื่อนเพื่อว่าจะให้ความช่วยเหลือใดๆพวกคุณได้บ้างเท่านั้นเราไปกันเถอะรับสั่งให้เคลื่อนขบวนแล้วขากลับนี่พวกเราอาจต้องควบม้าเร็วขึ้นกว่าขามานะเพราะคงมีพระประสงค์ที่จะให้ทันอาหารขําวันนี้ต่อไปนี้เราคงจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับคุณชายแช่ฐาแน่นอนที่สุด เราคงจะมีเวลาได้สนทนาสังสรรค์กันมากขึ้นกว่าที่แล้วมาเพราะภารกิจจำเป็นของคุณหมดสิ้นไปแล้วผมขอแสดงความยินดีกับพวกคุณด้วยที่คิดปร่งตกและแตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วในเรื่องที่ไม่คิดจะกู้ระเบิดกลับคืนไปและเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความลับให้รู้กันเองเฉพาะพวกคุณที่มากันเองสีคนเท่านั้นพวกคุณรอดชีวิตมาได้เห็นในสิ่งที่ต้องการ และต่อไปก็จะกลับบ้านเกิดเมืองนอนโดยสวัสดิภาพเรื่องอื่นๆมันไม่สำคัญแล้วเชษฐาพูดมาอย่างปลอบใจทั้งหมดกลับมาถึงราชฐานชั้นในอันเป็นอุทยานและปราสาทรับรองเมื่อเวลาประมาณบ่ายสี่โมงเศษก่อนที่จักรราชและราชนีเมยานีจะแยกไปยังราชวังหลวงได้ทรงหยุดม้าอยู่ที่ชุมนุมหน้าปราสาทรับรองอันเป็นที่พักของฝ่ายสแตนลีย์ และมีกระแสรับสั่งกับทั้งสองฝ่ายว่าคืนนี้เราจะร่วมรับประทานอาหารกันอีกครั้งอย่างห้องรับรองของปร า, าสาทหลังท้ายอุทยานอันเป็นที่พักของท่านเชษฐาจึงขอให้ฝ่ายของท่านสแตนลีย์ไปพร้อมกันณที่นั่นด้วยเวลามาตรฐานสากลประมาณสองทุ่มพวกท่านยังมีเวลาพักผ่อนอีกนานแล้วก็สรงแย้มสวนเล็กน้อยก่อนจะตรัสต่อมาว่า ค้ากับเมยานีจะไปร่วมด้วยตามเวลานั้นอย่างไม่เป็นทางการเราจะรับประทานอาหารสังสรรค์เสวนากันเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะทางฝ่ายมรดกนครจะมีค้าเพียงสองคนเท่านั้นที่จะไปร่วมด้วยหวังว่าทั้งสองฝ่ายคงไม่ขัดข้องเชธาและสแตนลีย์มองสพตากันตื่นตื่นเหมือนจะหารือแล้วต่างก็กราบทูลขึ้นพร้อมกันว่าพระเจ้าค่ะเราทั้งสองฝ่ายไม่มีอะไรขัดข้อง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 พากันแลกันเองไปมาและมองสลับไปยังสีพระพักอันงดงามของจอมนางแห่งมรดกนครในที่สุดเชษฐาก็เป็นตัวแทนของฝ่ายทั้งหมดกราบทูลถามว่าจะทรงมีพระประสงค์อย่างใดหรือพระเจ้าคะ่ะเมื่อพวกท่านทั้งสองฝ่ายได้มาถึงราชฐานที่นี่และได้เข้าพำนักอยู่แล้วนั้น ทางฝ่ายเราก็ได้จัดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพร้อมทั้งมีชาวพนักงานคอยปริบบต์รับใช้อย่างครบถ้วนแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังมีอาการเหมือนจะเตรียมพร้อมและแต่งกายรัดกุมอยู่เหมือนเดิมเฉพาะคืนนี้ที่เราจะมาพบกันอีกครั้งข้าขอร้องเถิดขอให้ทุกท่านทั้งสองฝ่ายจงแต่งกายเยี่ยงชาวมรกตนครไปในงานร่วมรับประทานอาหารเลี้ยงคืนนี้ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของท่านเชฐษฐาหรือท่านสแตนลีย์และไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงขอร้องแค่นี้แหละจะได้ไหมโอ้เสียงหลายต่อหลายคนอุทานออกมาอย่างฉงนพระคนตื่นเต้นประหลาดใจแล้วคริสกับเบลก็หัวเราะออกมากราบทูลว่าพวกเราแต่งกายอย่างชาวมรกตนครไม่เป็นนี่เพคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหม่อมชั้นสองคนและคุณหญิงดารินผู้เป็นสตรีเมยานีแย้มสวนเบาๆอ่อนหวานโบกหัดช้าๆข้อนั้นไม่สำคัญหรอกก็บอกแล้วว่าแต่ละคนของพวกท่านล้วนมีชาวพนักงานและพี่เลี้ยงนางกำนันคอยปรนิบัติใกล้ชิดอยู่แล้วเขาเหล่านั้นจะจัดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้แก่ท่านและเธอเองโดยเฉพาะสุภาพสตรีสามท่านคงจะงามสง่ามาก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 เมยานีสวนอย่างพอพระไทยดีมากขอขอบคุณต่อทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีสุภาพสตรีที่สวยที่สุดสามคนในงานเลี้ยงคืนนี้ที่ประสาทด้านหลังรับสั่งดังนั้นแล้วนางก็ชักม้าพระไปพร้อมกับพระราชสวามีซึ่งบกพระหัตถ์ให้แก่ทุกคนณนที่นั้นเมื่อกษัตริย์จักราธิราชและราชนีเมยานีสเสด็จเหาะม้าไปแล้ว เหลือแต่เฉพาะฝ่ายสแตนลีย์และเชตฐาทั้งหมดที่ยังชุมนุมกันอยู่หน้าปราสาทที่พักส่วนหน้าอันเป็นของพวกอเมริกันนายคีดก็อุทานออกมาว่าว้าวถ้ามันจะสนุกกันละสิคืนนี้พวกเราแต่งตัวอย่างคุนนางกรีกหรือโรมันอย่างพวกเขาไม่เป็นเลยพวกผู้ชายยังดีฉันสองคนที่เป็นผู้หญิงและน้อยอีกคนหนึ่งคงจะทุลักทุเลที่สุด เวลร้องออกมายกมือขึ้นกลุ้มขมับแต่ก็หัวเราะ อ, ออกมาเรื่องนั้นคงไม่ต้องกังวลหรอกมีพวกนางกำนันและชาวพนักงานช่างเครื่องเตรียมพร้อมที่จะช่วยแต่งตัวให้แก่เธอทั้งสองคนอยู่แล้วช่างเสริมสวยของที่นี่ก็มีนะรับรองว่าฝีมือไม่แพ้นักเมคอัพชั้นดีที่พวกเธอเคยพบมาก่อนแล้วเลยรับรองว่าเธอทั้งสองจะมีสภาพเหมือนนางพญาแห่งกรีกในยุคก่อนคริสตกาล สวยกว่าชุดราตรีที่ออกแบบโดยนักออกแบบแฟชั่นชั้นนำของโลกสสียซ้าไปดารินบอกมาอย่างอารมณ์ดีน่าตื่นเต้นมากแต่พวกเราถูกสั่งให้ปลดอาวุธด้วยคริสติน่าบอกมาเบาๆคงทรงํำคาญพระเนตรเต็มทีที่เห็นพวกเราเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นมีปืนติดตัวกันอยู่ตลอดเวลาฉันคิดว่าในระหว่างรับประทานอาหารและคุยกันอย่างเพื่อนสนิทพระองค์ทั้งสองคงไม่อยากเห็น M16 หรือไรเฟิลล้มช้างวางอยู่บนโต๊ะอาหารด้วยกระมังเราไม่มีอะไรที่จะต้องคอยระวังเตรียมพร้อมอีกแล้วในมรกตนครแห่งนี้ที่ทรงรับสั่งก็ถูกต้องดารินว่าฝ่ายอเมริกันทั้งหมดเชื้อเชิญให้ฝ่ายของแช่ฐาเข้าไปเยี่ยมอย่างที่พักของตนก่อนเพราะไหนไหนก็ได้มาถึงที่แล้วทั้งหมดไม่มีอะไรขัดข้องได้แวะเข้าไปยังปราสาทหน้าอันเป็นที่พักของสแตลีกับพวก และคุยกันอยู่ชั่วขณะหนึ่งทุกคนสังเกตเห็นบรรยากาศที่พักของพวกอเมริกันมิได้ด้อยความรู้ราโอรานไปกว่าที่พักของฝ่ายตนเลยสแสดงว่ามรากรณครก็ให้เกียรติอย่างเต็มที่เช่นกันเพียบพร้อมไปด้วยชาวพนักงานรับใช้อันมีทั้งชายและหญิงพร้อมโดยเฉพาะห้องนอนของคริสและเบลมีลักษณะเช่นเดียวกับห้องส่วนตัวของดารินหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียง ผิดกันแต่แท่นนอนหรือเตียงของสองสาวอเมริกันไม่ได้มีรูปมงกุฎประดับอยู่เท่านั้นแต่ของดารินมีเยี่ยงแท่นบรรทมของราชินีหรืออัครราชกุมารีซึ่งหลอนสกเกตเห็นตั้งแต่คืนแรกที่มาถึงขณะเข้าไปแต่งตัวและอาบน้ำฝ่ายของเชษฐาสนทนาและเข้าตรวจเยี่ยมชมที่พักของฝ่ายอเมริกันอยู่ครู่หนึ่ง โดยดารินเข้าไปในห้องนอนของสองสาวอเมริกันและพูดคุยกันด้วยอยู่ในห้องนั้นทั้ง3ามกล่าวกันถึงความสง่างามของกษัตริย์จักรราชและราชินีเมยานีตลอดจนพระปรีชาไหวพริบอันแสนฉลาดปราดเปรื่องแต่ยังไม่ได้ปริปรากเอ่ยสนทนากันถึงเรื่องส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นต่อมาเช่ถาก็เรียกทุกคนให้กลับเพื่อต่างฝ่ายต่างเตรียมตัว ระพินกับพรานของเขาทั้งสี่และพวกลูกหาฝ่ายสแตนลีย์คงอยู่ที่ปร า, าสาทสวนหน้าตามเดิมประเดี๋ยวพบกันเขาบอกกับ Stanley, สแตนลีย์สาหรับระพินเดินมาส่งจนถึงบริเวณที่พักม้าไว้เขาทำหน้าที่ส่งดารินขึ้นหลังมา้าอยู่นี่ไปก่อนนะยังไม่หมดหน้าที่ดีนักบอนบอกยิ้มยิ้มครับผมตั้งแต่พรุ่งนี้ ผมเห็นจะต้องลาพักจากนายจ้างชั่วสักระยะและระหว่างลาพักนี้ก็แปลว่าผมจะไปไหนอยู่ที่ไหนนายจ้างไม่เกี่ยวแล้วคุณจะไปไหนไม่ทราบก็ไปหามมงกุฎไพรของผมน่าสิดารินหัวเราะเอื้อมมือมาจับแก้มเขาเดี๋ยวนี้รู้จักพูดจาน่ารักขึ้นบ้างแล้วนะว่าแต่ว่าคืนนี้คุณจะแต่งแฟนซีเป็นตัวอะไรดี ก็ไอเสื้อสฟรีเก่าๆกันเกงเดินป่าขาดของผมชุดเก่งนั่นแหละอ้าวนี่คุณจะขัดพระราชาสวัีของราชนีเมยานีหรือใครจะแต่งตัวเป็นชาวมรกตนครอย่างไรก็เชิญตามสบายเถิดครับและควรจะแต่งด้วยอย่าขัดพระไทยยกเว้นผมคนเดียวหวังว่าแง่ซ้ายและเมยานีคงไม่ขัดข้องที่จะยกเว้นให้ดื้อรั้นไม่หายตะพรานของชั้นนี่แต่ก็น่ารัก คุณคอยดูคริสกับเบลให้ดีเถอะสองคนนั่นถ้าแต่งเป็นสาวมรกตนครเมื่อไหร่แล้วก็จะสวยงามน่าเสนหามากทีเดียวก็คงจะสวยมากด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละครับแต่คงสวยสู้จิตราคนางไม่ได้หรอกหมายความว่ายังไงดารินขมวดคิ้วนิดหนึ่งนี่คุณหญิงไม่คิดเฉลียวใจบ้างห ร, อหรือว่าเฮดาดเมยานีจึงสั่งให้ทุกคนแต่งตัวให้เหมือนชาวมรกตนคร หรือเพื่อให้ย้อนกลับไปสู่อดีตการทั้งหมดในงานเลี้ยงคืนนี้เอ๊ะแปลว่าอะไรฉันไม่เข้าใจเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอุบายของแงซายที่กระซิบสั่งให้เมยานีออกคำสั่งเช่นนั้นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็คือต้องการจะให้คุณหญิงแต่งกายกลับไปสู่ความเป็นมกุฎราชกุมารีจิตรางคนางนั่นเองไม่เชื่อคุณหญิงคอยดูชุดของคุณหญิง ที่นางกำนันหรือนางชาวพนักงานจัดเตรียมไว้ให้และช่วยประดับตกแต่งเถิดและจะรู้ตัวทันทีว่าตัวเองนั้นได้กลับคืนไปสู่ความเป็นมกุฎราชกุมารีจิตราคณางแล้วจะเหมือนหมดทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือมงกุฎแทนที่จะเป็นมงกุฎของราชกุมารีก็จะกลายเป็นมงกุฎพรไปตายหล่นร้องหน้าแดงกำยางสุดตื่นเต้น นี่ฉันคิดไปไม่ถึงเลยนะคุณแน่ใจหรือมีอะไรที่ผมตามแง่สายไม่ทันและมีอะไรที่แง่สายตามผมไม่ทันไอ้เจ้ากระล่อนนั่นมันฉลาดสารพัดและเป็นนักจัดฉากละครอย่างวิเศษสุดโดยไม่ให้ตัวละครที่จะแสดงรู้ตัวเลยไม่อย่างนั้นมันไม่จับคุณหญิงแต่งงานกับผมได้โดยเราไม่ทันรู้ตัวหรอกโอกาสแรกและโอกาสสุดท้าย ที่แงซายต้องการจะให้คุณหญิงเป็นจิตราขนางจึงแกล้งให้เมยานีออกคาสั่งเชิงขอร้องทุกคนมาเช่นนี้เพื่อจะไม่ให้อะไรดูผิดปกติและเมื่อทุกคนแต่งตัวแบบชาวมรดกนครการที่คุณหญิงจะถูกจับแต่งให้กลับไปเป็นจิตราขนางก็จะไม่มีใครสงสัยหรือเฉลียวคิดจะมีรู้กันก็แต่เพียงแงซายและเมยานีเท่านั้นแต่ผมรู้เท่าทันมันดารินตะลึง หน้าแดงก่ำด้วยความตื่นเต้นอยู่เช่นนั้นฟ้าให้รัพพินมาเกิดแล้วยังให้แง่ทายมาเกิดอีกนะผมกับมันเป็นคู่ปรับคู่มิตรกันมานานแล้วเพียงแค่มองตามันผมก็รู้แล้วว่ามันคิดอะไรว่าแต่อยากจะกลับคืนไปเป็นจิตราขนางอีกหรือไม่เท่านั้นถ้าไม่อยากก็ไม่ต้องยอมให้นางกํานันพวกนั้นแต่งตัวให้แต่งธรรมดานี่แหละฉันไม่อยากจะกลับไปเป็นจิตราขนางโดยไม่มีอคหนีรุดหรอก แต่ก็ไม่อยากจะขัดความต้องการของแงซายคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมแล้วฉันจะชื่นใจที่สุดช่วยยังไงครับแต่งกลับไปเป็นอคนิรุธในคืนนี้เถอะมันเป็นโอกาสของคุณแล้วเช่นกันรพินสันนาช้าเป็นอคนิรุธก็ต้องพลัดพรากจากจิตราคนางอีกมันเป็นลางไม่ดีเลยผมขอแก้คริเป็นรพินอย่างนี้แหละส่วนคุณหญิงจะเป็นจิตราคนาง ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เป็นไปเถิดในระหว่างที่คุณหญิงเป็นจิตรางคณางแม้คืนนี้คืเนเดียวก็ตามก็ขอให้ผมเป็นรับพินตามเดิมดีกว่าจะได้แก้อาถรรพ์ตกหล่นพยักหน้าขณะที่เม้มริมฝีปากตกลงเขาจะจับฉันแต่งตัวอย่างไรฉันก็จะยอมเข้าทุกอย่างมิหน่าล่ะคุณถึงไม่ยอมแต่งตัวไปงานคืนนี้ตามที่เมยานีสั่ง ผมรู้อยู่แล้วถ้าผมยอมตามคําสั่งเมยานีให้พวกพนัก ง, งานแต่งตัวทั้งหลายก็คงจะทำให้ผมกลายเป็นอคคานีรุษคนเดิมไปผมถึงได้บอกว่าผมไปของผมอย่างนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการจัดฉากเตรียมพร้อมอยู่แล้วมันหลอกใครก็ได้แต่หลอกผมไม่ได้หรอกของมันรู้ทันกันและถ้าจะพูดกันจากใจจริงแล้วผมก็อยากจะเห็นคุณหญิงอยู่ในชุดจิตรางขนางเหมือนกันอย่างเห็นอย่างที่สุด แต่จะเห็นด้วยสายตาของรพินไม่ใช่สายตาของอคเนรุตซึ่งมีแต่ความผิดหวังมาตลอดแง่ส า, ายนี่ร้ายกาจจริงๆนะร้ายและลึกจนคิดไปไม่ถึงแต่บังเอิญว่าเข้าร้ายในแง่ดีงามกับเราสองคนมาเท่านั้นไม่ใช่ร้ายกาจอย่างฆ่าศึกศัตรูลึกลับก็เท่านั้นมันจะร้ายหรือลึกลับไปไม่ได้ถึงไหนหรอกครับตราบใดที่รพินไพยวันยังอยู่เท่าแล้วเท่ารอด แม้จะดีที่สุดต่อเราแล้วก็ตามแงาซายก็ยังมีอารมณ์ประชดประชันเนบแนมอยู่ตลอดเวลามันอยากจะเห็นหน้าตาของผมว่าเป็นอย่างไรถ้ามองไปเห็นแม่ดอกฟ้าดาริงของผมกลายร่างเป็นจิตตรังคนางอีกครั้งในงานเลี้ยงที่ถูกบังคับให้เหมือนแต่งแฟนซีคืนนี้ประเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ดูว่ามันจะจริงอย่างคุณพูดไหมพอพวกนั้นแต่งตัวให้ฉัน ฉันก็รู้แล้วเพราะฉันจําชุดเดิมของฉันได้ไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามขณะนั้นพวกเชษฐาทั้งหมดได้เดินม้าจากไปไกลพอสมควรแล้วยังเหลือดารินเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยืนม้าพูดกระซิบคุยกับรพินครั้งหนึ่งอนุชาหันมาโบกมือเรียกหลอนก็โบกมือตอบและทำสัญญาณให้รู้ว่ากำลังมีเรื่องทุระคุยกับรพินอีกสักครู่แล้วจะตามไปพวกพี่ๆไม่มีใครสนใจอีก ล่วงหน้ากันไปก่อนเอาละผมจะอ่านใจแง่ทายและบอกให้ทราบล่วงหน้าเลยคุณหญิงจะถูกนางกำนันพวกนั้นแต่งให้อยู่ในชุดของมงกุฎราชกุมารีเป็นฉลององค์ชุดเดียวกับที่ถูกพระราชบิดาสถาปนาขึ้นหาใช่ชุดอื่นใดไหมคุณหญิงจําชุดนั้นได้ไหมแน่นอนฉันจําได้ติดหูติดตาทีเดียวนั่นแหละชุดนั้นและจะบอกให้รู้ล่วงหน้าต่อไปว่า คนที่จะสังเกตคุณหญิงอย่างเอาจริงเอาจังอีกคนหนึ่งคือคริสทำไมเพราะอะไรหลอนงงจัดกระซิบถามเสียงสูงที่สุสานนิทรานครมีภาพแกะสลักนูนของจิตรางขนางประทับอยู่บนบันลังในวันที่เราลงไปสำรวจสุสานผมเห็นคริสเข้าไปจุดพลุสว่างและจ้องพินิษภาพนั้นอยู่นานทีเดียวและหลอนก็เคยบอกผมว่าเจ้าหญิงพระองค์นั้นมีใบหน้าเหมือนคุณหญิงไม่มีผิด เพราะหล่อนจำคุณหญิงจากรูปถ่ายที่ล้วงไปจากกระเป๋าเสื้อของผมได้ในคืนที่ผมไม่สบายมากคืนนี้ถ้าคุณหญิงแต่งกายกลับไปสู่ชุดนั้นอีกครั้งคริสจะจำได้เป็นอย่างดีทีเดียวและหล่อนจะเป็นคนเดียวที่จะต้องเก็บความพิศวงเอาไว้เต็มเปี่ยมในปมปริศนาคริสรู้ว่าเจ้าหญิงในภาพแกะสลักนั้นมีนามว่าจิตตรางคนางหล่อนรู้ได้ยังไงหล่อนถามเสียงสูง ผมบอกผมนึกไม่ออกเหมือนกันว่าทําไมผมถึงได้บอกหลอนไปเช่นนั้นก่อนที่เราจะลงไปพบหีบศพหินอ่อนของเจ้าหญิงพระองค์นั้นภายใต้ก้นลึกของสุขสารมีรอยเปิดเผย อ, อยู่เพราะฉะนั้นถ้าหลอนจ้องและถามอะไรคุณหญิงทําเป็นเฉยเฉยเสียไม่ต้องบอกอะไรทั้งสิน้นไม่เชื่อก็ค่อยพิสูจน์ตามที่ผมบอกนี่ก็แล้วกันเอาละคุณหญิงไปได้แล้วครับเย็นมากแล้วกล่าวจบ เขาก็ตบตะโพกม้าของดารินเป็นการเตือนให้มันออกเดินราชสกุลสาวส่งจูบและโบกมือให้เขาท่ามกลางความงุนงงที่ยังไม่ได้รับการอธิบายใดๆให้กระจ่างแจ้งนักแล้วหล่อนก็ควบม้าไล่หลังขบวนของพวกพี่ๆไปรพินเดินกลับขึ้นมาบนตำหนักหรือปราสาทหน้าก็เห็นคริสติน่ายืนเอียงคอมองเขาอยู่ก่อนแล้วบนบันไดชั้นบนของห้องโถงกลาง ฉันว่าราชินีเมยานีนั้นสวยสง่าจับจิตอยู่แล้วยากที่จะหาราชินีแห่งอาณาจักรใดเสมอเหมือนหล่อนเอ่ยขึ้นช้าๆใบหน้าเรียบเฉยปกติแต่ถ้าคุณหญิงดารินวราฤทธิ์อยู่ในชุดของเจ้าหญิงหรือนางกษัตริย์มีมงกุฎประดับอยู่เหนือเสียนเธอจะงามสง่ากว่าเมยานีหลายเท่านักครูคิดเหมือนชั้นไหมรพินแทบสะอึกอะไรทําให้คุณคิดอย่างนั้นประสาทที่หก สังหอนยังไงล่ะและอย่างไม่คาดฝันรัพินตอบว่าสังหอนของคุณถูกต้องหล่อนยิ้มเย็นแล้วส่งมือมาให้เขาจับช้าๆแต่รัพินยังไม่ยอมจับขมวดคิ้วเหมือนจะถามคริสจึงบอกว่าขอสแสดงความยินดีกับครู ด, ด้วยอย่างจริงใจสำหรับตัวฉันเองและในานามของพวกเราทุกคนในเรื่องอะไรไม่ทราบเขาถามต่ำๆจ้องหน้า เมื่อคืนนี้ครูแต่งงานแล้วกับคุณหญิงดารินวราริศเฉพาะพระพักของจักรราชและบรรดาพี่ๆ พ, พวกพ้องของคุณทุกคนอย่างเป็นส่วนตัวโดยไม่ให้พวกเรารู้แต่เราก็รู้จนได้เพราะพวกลูกน้องของคุณพูดกันยินดีด้วยค่ะจากแก่นแท้จริงใจต่อไปนี้ครูระพินของฉันคงจะมีความสุขสมหวังอย่างแท้จริงเสีทีระพินไพรวันยืนอึ้งอยู่นานในที่สุดก็สงมือให้จับ คริสกระชับมือเข้าแน่นและเขย่าโดยแรงขอบคุณคริสเมื่อตาบทิพทับสวงและสังวานอันทาด้วยทองคำประดับพวงอั ญ, ญมณีหลากสีสันชนิดที่จะประมาณค่าไม่ได้ได้ถูกนางกำนันสองสามคนอันมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงจับหล่อนมานั่งแต่งตัวอยู่หน้าพระชายคันชองบานใหญ่บรรจงสวมประดับลงมายังสวงอกและรอบลาคอของหลอนดารินวราริศ ซึ่งตลอดเวลาได้นั่งอยู่เหมือนตุ๊กตาและมองตนเองอยู่ในเงาสะท้อนนั้นก็เบิกตากว้างตะลึงพึ่งเพลิดไปเป็นเวลานา น, านจากชุดแพรมันระยับเป็นริ้วร่องสีเลื่อมเงินยวงคลุมไหลไว้ด้านหนึ่งและเปิดเปลือยอีกด้านหนึ่งมีเชิงชายยาวคลิปทองจรดข้อมือนั่นไม่ใช่ดารินวราริเสแล้วจากสายตาที่จ้องมองดูตนเองจากคันช่องเงินเบื้องหน้า กลาเป็นใครก็ไม่ทราบที่ในชีวิตนี้หลอนไม่เคยพบเห็นมาก่อนนอกจากนางหนึ่งที่หลอนได้เข้าไปพบเห็นประทับอยู่บนบันลังในมหาปราสาทจิตราคนางขณะที่ถูกช้างอันกำกับด้วยกริยามนอาคมของมันไตรนำเข้าไปยังดินแดนลึกลับใต้ขุนเขาในครั้งนั้นเพียงแต่ว่าเขาหน้านั้นมีสวนลไม้เหมือนหลอนมากที่สุดเท่านั้นภาพนั้น วงเล็บขณะที่หลอนเห็นนี้ประทับอยู่เหนืออาสนะเรากับคนจริงหรือมิฉะนั้นก็หุ่นที่ปั้นขึ้นเป็นภาพที่เหมือนด้วยขี้ผึ้งถูกแล้วหลอนกำลังเห็นจิตราขนางโดยเงาสะท้อนของคันช่องเงินอันใสกระจางประดุษธํามขึ้นด้วยแก้วกระจกระหว่างที่กำลังตะลึงงันอยู่นั้นทองกรประดับเพชรกำลังถูกสวมใส่มาที่ข้อมือทั้งสองข้างและ ว, วงหนึ่ง มีขนาดกว้างพอที่จะรัดแขนท่อนบนของหล่อนก็ถูกสวมเข้ามาเป็นรูปหน้าคราชสองเสียนคว้ยกันทุกเปร็ดล้วนประดิษฐ์ด้วยเพชรนินจินดารัด ก, กระชับติดแน่นอยู่บนช่วงแขนเหนือข้อศอกหล่อนขึ้นไปเล็กน้อยหน้าประหลาดที่มันถูกสวมใส่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ราวกับจะวัดเอาไว้แล้วฉะนั้นเมื่อดวงตาใหญ่สีทองทำเป็นรูปเสียนของสิงหราชเสยะเขี้ยว กำลังจะถูกช่วยกันกระติดอยู่กับบริเวณของส่วนอันเป็นสบายเฉียงด้านซ้ายเหนือสวงอกดารินก็ตัวสั่นได้สติเอื้อมมือมาจับมือของพนักงานพวกนั้นไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันนี่หลอนร้องออกมาตาเสียนสีหราชจะต้องติดประจำอยู่เหนืออุระพางเบื้องซ้ายนี่เพคะนิริยาเอ่ยขึ้นเสียงพูดและภาษาที่ใช้พูดกับหลอนผิดไปในทันทีนั้นด้วยราชาศัพท์ อะไรกันนี่ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมพวกเธอจึงจับฉันแต่งตัวอย่างนี้นี่คือชุดฉลององค์ของใต้ฝาพระบาทภายในราตรีนี้เพคะเป็นพระบรมราชองค์การของจักราธิราชเจ้าที่ให้จัดชุดฉลององค์ชุดนี้ถวายดารินยกมือขึ้นป้องปากตายังเบิกกว้างอยู่เช่นนั้นวายร้องร้องขึ้นดังๆนี่นี่ฉันกลายเป็นใครไปแล้ว แล้ทำไมพวกเธอต้องพูดกับฉันอย่างนี้ด้วยพวกนางกำนันเหล่านั้นเพียงแต่ยิ้มละไมยอยู่ในสีหน้าและไม่สนใจกับอาการตกประหมาวุ่นวายของหล่อนช่วยกันพยายามบรรจงกรดติดหัวสิงทองคำอันแลดูเหมือนดวงตราแสดงฐานะอะไรสักอย่างหนึ่งลงตรงบริเวณอกเสื้อด้านบนเหนือราวถันของหลอนจนได้มีกระแสะรับสั่งแก่พวกหม่อมฉันมาว่านิรยาเอยขึ้นด้วยเสียงเบา อ่อนน้อมพินอบพิเทาที่สุดหากทรงรับสั่งถามว่าพระองค์คือใครก็ให้พวกหม่อมชั้นกราบทูลว่าพระองค์คือมกุฎราชกุมารีจิตรางคนาเพคะพวกหม่อมชั้นได้รับพระบัญชามาเพียงแค่นี้เองนอกเหนือไปกว่านี้โปรดอย่าได้ทรงถามใดๆพวกหม่อมชันอีกเลยดารินวราฤทธิ์ตัวแข็งไปอีกครั้งพระพินหล่อนอุทานพึมพำออกมากับตัวเอง ขณะที่ประคองมือทั้งสองขึ้นแตะใบหน้าคุณทายอะไรไว้ไม่ผิดไปเลยแม้แต่สักอย่างเดียวฉันถูกแร่กล ข, ของแง่ทรายบังคับให้กลับคืนสู่ชาติกําเนิดเดิมเสียแล้วนี่เอากันจนถึงขนาดนี้เชียวหรือนี่พลางหล่อนก็ยืดกายตรงขึ้นนั่งเด่นอยู่หน้าคันช่องนั้นพิดดูใบหน้าและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเครื่องประดับอยู่ในขณะ น, นี้ใบหน้าถูกตกแต่งเอาไวอ้อย่างวิจิตรบรรจงที่สุด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 กรีบล่างย้อยต่ำลงมาเล็กน้อยสำแดงถึงความเชื่อมั่นในตนเองและเจ้าอารมณ์ชนิดที่จะไม่ยอมให้ใครมาขัดใจได้สวดทรงใบหน้ากึ่งรูปหัวใจกึ่งรูปไข่ทุกส่วนสัดของใบหน้านั้นงามหมดจดได้สัดส่วนรับกันหมดเป็นไปได้หรือนี่ที่เงาสะท้อนในกระจกนั้นคือตัวหล่อนเองดารินวราริ์หลอนไม่เคยเฉิดชมใช้ลายถึงปานนี้มาก่อนในชีวิต บรรพชาติของหลอนงดงามถึงเพีนนี้เชวหรือไม่น่าเชื่อเลยตามปกติหลอนก็ส่องกระจกดูตัวเองอยู่แทบทุกวันไม่ว่าที่ไหนเมื่อไรไม่เคยเลยที่จะเหมือนในครั้งนี้หลอนรู้สึกตัวเองแต่เพียงว่าเป็นสตรีสาวหน้าตาผิวพรรณดีคนหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ถึงกับมีความงามสักครานผุดผ่องราวกับเทวานารีฉีกออกไปถึงขนาดนี้ในบัดดล จิตส่วนลึกที่สุดของหล่อนก็พรานแววโศกลำนำบทหนึ่งขึ้นมาอย่างกระทันหันอาโฉมวิไลพิลาดพร่างจิตตรางขนางสีพองพักประดุดดวงมณีนยามโชตประการฉายพิชโฉมประโลมมนสะปรื้มสิดำดื่มหทัยชายสิเนหาติบอมิจะคลายสวัส ด, ดีวายดานุทวิน ข้ารอและรอตราบชีวะดับมะลายลับละโลมดินความรักสถิตนจิตนจินตะนะก่อนิรันการใครที่เคยรำพึงรำพันไว้เช่นนี้มันไตราราชปุโรหิตแห่งนิทรานครดารินสบัดหน้าโดยแรงหลับตาลงพร้อมกับ้อนหายใจยาวเยือกยกมือขึ้นพนมพจรดอกกระซิบปะโตเม ต, ตัง ปชีวินางสุขะโตจุติจิตตะเมตังนิพพานังสุขะโตจุติอิติปิโสภควายมรราชโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุ ข, ขังอรหังสุขะโตขอให้ไปดีในชาติภพใหม่เถิดนะมันตรรับสั่งว่าอย่างไรเพคะนิรยาคงได้ยินเสียงพึมพำรรของหล่อนเงยหน้าขึ้นถาม เปล่าเปล่าไม่ได้ว่าอะไรหรอกเอา้าวแม่เจ้าประคุณทั้งหลายเมื่อไร่การแต่งองค์ทรงเครื่องของฉันจะเสร็จเสักทีละ่ะรำคาญเต็มทีแล้วนะนี่มังกุรไพรคงจะเป็นช่อใหม่แต่รูปทรงเหมือนเดิมทุกอย่างด้วยช่อดอกปักษาสวรรค์ที่มีสีสันกลีบสดได้ถูกนางพนักงานบรรจงสวมลงมาเหนือศีรษะของหล่อนอย่างกระชับชนิดเคลื่อนไหวอย่างใดก็จะไม่หลุดออกไปได้เป็นอันขาดแล้วทั้งสามก็ช่วยกันประคองหล่อนให้ยืนขึ้น แม้แต่ฉลองบาทหรือรองเท้าของหล่อนขณะนี้ก็เป็นแบบแตะส้นสูงประดับไปด้วยเพชรพลอยปลายเรียวแหลมงอนขึ้นเล็กน้อยทำให้ร่างของหล่อนสูงตระหง่านขึ้นอีกเมื่อดารินขยับเท้าหมุนตัวไปรอบๆก ร, ระจกที่ทำด้วยแผ่นเงินขัดเงาเสียงสร้อยข้อเท้าอันเป็นรูปสังเล็กล ก, กระทบกันกรุ้งกริ้งใสกังวานทุกอิริยาบถ ท, ที่เคลื่อนไหวขยับเท้าความจริงฉันควรจะอยู่ในชุดออกสึก วันเดียวกันที่ขี่ม้าไปท้ารบ ก, กับอคเนรุตนะพระพิณเห็นแล้วจะได้สะดุ้งตกใจมากกว่านี้ไม่น่าจะอยู่ในชุดสวยงามอย่างนี้เลยจะเป็นความเศร้าสะเทือนใจกับอคเนรุตจนสุดพรรณนาได้เพคะหากใต้ฝ่าพระบาทฉลององค์ในชุดออกศึกซึ่งชุดนั้นเป็นชุดที่เสด็จพระจากหน้าประตูเมืองแล้วไปโปรงพระชนชีพตนเองด้วยน้ำพิษเสียงหนึ่งดังเบาๆมาจากเบื้องหลังใกล้ๆอย่างชัดเจน ดารินหันขวับมาทันทีอย่างตกใจแล้วยืนงงนิ่งใกล้ๆวิสูสีทองริมประตูด้านหนึ่งราชินีเมยานีในฉลองพระองค์แบบนางกษัตริย์แต่ไม่เป็นทางการนะักประทับยืนอยู่ที่นั่นไม่ห่างออกไปนะักและกำลังแย้มสวนพรายอยู่เมื่อหล่อนหันมาพบนางก็ย่อกายลงถวายเคารพจนทำให้ดารินแทบพะงะไปอีกร้องออกมาเมยานีเพคะ หม่อมฉันเองเมยานีขอถาวายสักการะแด่พระพี่นางจิตราคณางพระสิริโฉมในราตรีนี้ไม่มีนางใดในสามล่าเสมอเหมือนแล้วเพคะตารินปราดเข้ามาจับต้นแขนของนางพญามารากตนครไว้เขย่าเบาๆพร้อมพูดเร็วปรือตายแล้วเมยานีทำไมเธอทำอย่างนี้เธอเรียกชื่อเก่าฉันทำไม และไม่มีความจำเป็นแม้แต่สักนิดเดียวที่เธอจะต้องพูดกับฉันอย่างนี้เฉพาะเพียงเราเป็นการภายในและเป็นความลับเฉพาะเท่านั้นเพคะและอยากได้ทรงแปลกพระทัยไปเลยหม่อมฉันรู้สิ้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้ก่อนที่พระพี่นางจะเสด็จมาถึงมรกนครในครั้งนี้เสียด้วยซ้าเธอรู้หล่อนร้องเมยานีน้อมเส้นลงนิดหนึ่งย้มสวนระรื่นอยู่เช่นนั้น อันใดก็ตามที่จักรราทรงล่วงรู้หม่อมชั้นก็จำเป็นที่จะต้องรับทราบหมดด้วยทุกอย่างเพียงแต่จะแสดงออกมาเมื่อไหร่อย่างใดเท่านั้นราตรีนี้จะเป็นราตรีแห่งปริศนาขบคิดสำหรับทุกคนแต่รับรองได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดแพร่งพลายออกไปเลยเราจะรู้กันเฉพาะสี่บุคคลเท่านั้นคือสมเด็จพระเจ้ากรุงมรดกนครตัวหม่อมชั้นเองซึ่งเปรียบเหมือนเงาของพระองค์ พรานระพินและตัวพระพี่นางเองเท่านั้นนี่เมญาณีดารินร้องออกมาอีกลักษณะกระอักกระอ่วนอึดอัดใจหรือที่จะกล่าวหัวเราะออกมาอย่างงงงฉันไม่รู้จะทำอย่างไรถูกแล้วนะเมื่อฉันอยู่ในเครื่องแต่งกายอย่างนี้ซ้ำเธ อ, อยังปฏิบัติต่อฉันดูผิดแปลออกไปไม่ว่ากริยาหรือวาจานางพญามรากฎนครสันเสีย น, น้อยๆข้อนั้นขอได้โปรดอย่าทรงเป็นกังวลเลยเพคะ เผอเสด็จออกไปยังบริเวณงานพบปะกับบุคคลอื่นๆแล้วขอให้พระพี่นางปฏิบัติองค์เหมือนเดิมนั่นก็คือเป็นพี่หญิงดารินวราฤทธิ์อย่างเดิมตัวหม่อมชันเองและจั ก, กราธิราชก็จะไม่ประพฤติปฏิบัติใดๆต่อพระพี่นางให้เป็นที่ผิดสังเกตไปจากเดิมเลยนี่เราอยู่กันโดยเฉพาะเป็นการภายในหม่อมชั้นก็ประพฤติปฏิบัติต่อพระพี่นางอย่างนี้ด้วยจิตอันคารวะ มหาอาณาจักรนิทรานครก่อนที่จะถล่มล่มลงไปนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลกว่ามรากรนครของหม่อมชันมากมายนักพระพี่นางดำรงพระองค์เป็นถึงอคระมะกุฎราชกุมารีแห่งมหาอาณาจักรนิทรานครทรงอิสริยยศและศักสกุลเดิมเหนือกว่าหม่อมชันซึ่งอดีตเป็นแต่เพียงบุตรสาวของขุนพลอรชุนมากมายนักจึงไม่เป็นการแปลก ป, ประหลาดใดๆเลย ที่หม่อมชันจะต้องถวายสักการะตามศัก์เมื่อมีโอกาสอันเชิญเสด็จได้แล้วเพคะบริเวณงานเลี้ยงทุกคนมาพร้อมแล้วอีกสักครู่จั ก, กราธิราชก็คงเสด็จมาถึงหม่อมชันเร่งกายเข้ามาเฝ้าก่อนและจะรอบกลับไปสมทบกับองค์จั ก, กราธิราชเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเรามาถึงงานด้วยกันรับสั่งประโยคสุดท้ายเพียงแค่นั้นแล้วเมยาณีก็ย่อวรากายลงถวายข้ารบอีกครั้ง ก่อนที่จะเสด็จรับหายเข้าไปหลังวิสูตรอย่างรวดเร็วทิ้งให้ดารินยืนอยู่ในระหว่างนางกำนันทั้งสามคนซึ่งขณะนี้ยังซุดเข่าอยู่กับพื้นเมื่อเมยานีเสด็จออกปรากฏพระองค์ขึ้นเอาละฉันพร้อมแล้วลนบอกกับนางทั้งสามขณะที่หัวเราะเบาๆกับตนเองอย่างขบขันรละคนตื่นตื่นฉันจะออกไปสู่บริเวณงานเดี๋ยวนี้พวกเธอทั้งสามคนไม่ต้องตามออกไปด้วยเข้าใจไหม